เมื่อคืนในพวกคณะนักศึกษาที่เป็นนาคมาจากมหิดลจากสิริราชาแล้วก็คงจะมีแนวร่วมบ้างแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้รู้ไม่รู้ในรายละเอียดเท่าไหร่แต่นักศึกษาแพทย์สิบสีสิบเอ็ดน่ะและก็นาคอยู่ที่วัดของเราอีกหนึ่ง คงจะเป็น14ที่จะบวชวันที่หที่จะถึงน่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่หก็คงจะพระพี่เลี้ยงคงจะฝึกหัดความพร้อมแล้วก็ตรวจตราบริขารให้พระช่วยๆกันตรวจตราบริขารเครื่องที่จะบวชพวกบาทพวกยีบอลพวกอะไรที่เอามาแล้วก็คงจะจัดเป็นหมวดหมู่ให้เข้าได้กับขนาด ขนาดก็คือพระองค์เล็กหน้ากงเล็กอ ง, งน้อยจะใช้ผ้าขนาดไหนจีวรขนาดไหนบาทขนาดไหนก็จะจัดเข้าให้เข้ารูปร่างเหมือนกับเราตัดเสื้อใส่ไซส์คนอย่างนั้นแหละถ้าหาว่าตัวเล็กๆใส่ไซส์ใหญ่มันก็ไม่ได้ทุกคนตัวใหญ่จะไส์เล็กก็ไม่ได้ผ้าจีวรของพระก็เหมือนกัน ถ้าเราดูๆแล้วเปลี่ยนภาพพื้นใหญ่ตูมยุ่มตามยามนะมันก็มีขนาดเหมือนกันไงแต่ละองค์ก็มีขนาดของท่านความยาวของพระคือท่านใช้ศอกของแต่ละองค์เนี่ยความยาวยหกศอกหศอกคืบแปลว่าแต่ละองค์ถ้าองค์เล็กกับกอกหศอกคืบของใครของเราเหมือนกันะองค์ใหญ่กว่าศอกคืบใหญ่เหาือนนองค์เล็กอกหศอกคืบเล็ก ทางลึกเนี่ยก็สี่ซอกสี่ซอกฝ่ามืออย่างเนี้ยแปลว่าผ้าจีวรของพระครองเนี่ยมันมีขนาดของท่านนะไม่ใช่ว่าโอดเป็นผ้าก็จะซื้อเอาเลยจากตลาดมาเลยใช้ไม่ได้เงั้นอะมันต้องมีไซซ์ของใครของเราอยู่อันนั้นก็คือวันนี้จะต้ององค์ที่ฝึกซ้อมฝึกหัดหนกักก็คงจะฝึกหัดนากให้เข้ากัน คือเข้าที่จะบวชเนี่ยผู้ที่จะบวชเนี่ยต้องเรียงตามอายุสมมุติว่าอายุห้าสิบอย่างนี้นะแล้วก็สี่สิบเก้าสี่สิบแปดคือบวชได้ทีไดสามองค์ไม่เกินสามไม่ให้เกินสามต่ำกว่านั้นไดเ้เพราะนั้นเราจะบวชทั้งหมดนากสิบสี่นี่สี่สามสิบสอง สี่ส <g ül> เกินไป2องเหมือนกันแตชุดแรกนะ่ยชุดจุดท้ายอาจจะเอา2ก็ได้จากนั้นก็ชุดละ 3, ละ 3, ละ 3, ละ3ไล่ตามอายุลงมาอายุห้าสิบสี่สองหนึง่ง 46, 45, 45 43หกสี่สิบี่สชุดหนึ่งไล่ลงมาอย่างนั้นอ่ะเวลาเราบวชเสร็จแล้วมันมีความหมาย องค์ที่อายุแก่จะต้องเดินบิณฑบาตต้องเดินก่อนนั่งก่อนตามอายุ้บวชตามอายุเพราะนั้นเวลาจะบวชเนี่ยเอสาหังพันเตเนี่ยต้องเป็นชุดก่อนที่จะเข้าชุดกันได้เนี่ยก็ต้องฝึกซ้อมพอสมควรบางทีองค์หนึ่งเสียงเล็กองค์หนึ่งเสียงใหญ่เอา้าองค์เสียงใหญ่ไปสยู่กับอยู่กับองค์เสียงใหญ่ซะก็ไม่ได้เพราะอายอาุไล่เลี่ยกันอายุไม่เหมือนกัน องค์เสียงน้อยไปอยู่กับกลุ่มเสียงน้อยซ ะ, ะก็ไม่ได้เพราะนั้นกลุ่มเสียงใหญ่กับกลุ่มเสียงน้อยเขามาจับใส่กันบาดเนี่เพราะนั้นมาฝึกเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะบางองค์มันเข้ายากเหมือนกันกว่าจะปรับเสียงเข้าหากันได้เพราะนั้นจังว่ามีการฝึกซ้อมไว้ก่อนเพราะนั้นวันนี้ก็จะต้องจับคู่กันให้ให้พระพี่เลี้ยงฝึกซ้อมให้มันเข้ากัน แล้วก็การฝึกซ้อมก็ต้องให้ได้ให้ได้ไดทุกองด้วยนะไม่ใช่ว่าจับปูปลูปลปลาเข้ามาแล้วจับบวชเลยไม่ได้นะเอพราะการบวชมันก็ต้องเตรียมพร้อมพอสมควรไม่ใช่ว่าจับเข้ามาบอกเข้ามาวัดแล้วก็จะบวชเอาเลยไม่ได้วัดกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระป่าของเราเนี่เข้มงวดกวดขันเรื่องการบวชมีการตรวจตาสุขภาพอีกต่างหากเบื้องต้นแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะทาง มาจากโรงพยาบาลอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วงั้นอันนั้นไม่มีปัญหาหลวงพ่อจะไม่ไม่พูดเลยไม่เข้ากายพอมาจากหน่วยแพทย์ก็รู้อยู่แล้วกฎเกณฑ์ตรวจสุขภาพหาโรคที่โรคต้องห้ามในการบวชต่อมาเลยกเรื่องการบวชฝึกขัดซ้อมเอสาหังให้ได้ถ้าไม่ได้เอสาหังไม่ให้บวชว่างั้นเพราะเหตุอไร พราะในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีปัญหามาแต่นู้นแล้วพอพระบวชเข้ามานานเห็นลูกศิษย์ตุกหาเห็นลูกน้องเห็นญาติโยมเออเขามาบวชซะเอาบวชผมบวชไม่ได้ครับเอาบวชไม่ได้ว่าตามหลังนโมทสสะนมทสสะพระคาวโตพระคาโตเอสหังเอสหังพันเตพันเตวาไปเอาบวชพอบวชเสร็จแล้วแต่นี่มันไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธา บวชการนำเอาเฉยๆบวชว่าตามเอาเฉยๆเป็นผู้ว่าตามกับว่าตามไปผลในสูตรบวชเข้ามาแล้วก็ทําตัวไม่ดีทีนี่สเปสสะปะสัมมาเลเทเมอไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่อยู่ในหลักธรรมวินยัยพระสงฆ์ทั้งหลายที่มีฮิริโอตะปะมีความละอายแก่ใจญาติโยมทั้งหลายที่มีมารยาทเห็นพระทำอย่างนั้นดูไม่ได้ทีก็เลยโพนธนาติเตียนว่าเออ พระสงฆ์ทำไมทำตัวไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นขึ้นมาละบาดเนี่ได้ยินถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นหาตนต่อว่าทำไมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ก็บอกว่าพวกนี้บวชไม่ด้วยศรัทธาเพียงแต่ว่าพระจับให้บวชก็บวชตามไปอย่างนั้นอ่ะซักไซไลเลียงดูแล้วบวช ด, ด้วยไม่ศรัทธาผมไม่อยากจะบวชแต่อาจารย์อุปชาบอกให้ผมบวชผมก็บวชว่าตามผมก็ว่าตาม แต่ใจผมไม่ยอมบวชสักหน่อยผมบวชแล้วผมก็ต้องเป็นฆราวาสอย่างเก่าแต่ยูนิฟอร์มถึงจะเป็นพระ ก, ก็จริงแต่ว่าผมใจของผมไม่เป็นพระนะผัวนที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยทรงมันหยัดฟินัยขึ้นมาคุณระบุตรผู้ใดก็าตามผู้ที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนาต้องท่องต้องกล่าวเองต้องพูดเองต้องแสดงความจำนงเองจึงจะให้บวช ไม่ใช่ว่าจะมีการชักนำมีการนำหน้ามีการบังคับให้กล่าวมีการกล่าวด้วยอิสระสงฆ์ต้องเป็นประธานรับรู้รับทราบอย่างน้อยในชนบท5องค์ขึ้นไปถ้าหากว่าที่พระหาง่ายสิบองค์ขึ้นไปที่เป็นสักขีพยานในการบวชอันนี้คือเป็นกฎเกณฑ์มาอย่างนี้เพราะนั่นพวกเราจะไปทำแบบสุกเอาเพาะกินง่ายๆไม่ได้ในในการบวช เพราะฉะนั้นต้องการที่จะบวชก็ต้องเอซาหังพันเตสุจี ร, ประปรินิบุตรต้องถูกอักครได้ทุกตัวอันั้นึงจะบวชได้อดันนั้นนเป็นที่เข้าใจกันบางท่านบางคนโอ้ยทำไมบวชยากนะักบางแห่งทําไมบวชง่ายๆก็ได้ว่าตามก็ว่ากันไปแต่ว่าทําไมท ำ, ท ำ, ทำไม่บวชในวัดป่าทำไมยากเพราะมันมีกฎเกณฑ์อย่างนั้นใครจะเคารพกฎเกณฑ์มากน้อยแค่ไหน อันนี้เป็นเครื่องวัดกันมางั้นเถะถ้าว่าถ้าว่าเคารพกฎเกณฑ์อย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยความเป็นมามันเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไงเราก็ต้องปฏิบัติตามที่ความเป็นมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นนากนะให้มีอุตสาหะวิริยะพยายามท่องบนสาธยายให้ได้ให้ถูกต้องตามหลักธรรมวิ น, นัยนั่นแหละดีเราบวชทั้งที ้ตั้งใจบวชทั้งทีเราจะไปทำแบบสุกเอาเผากินง่ายๆมันก็ไม่ได้ไม่ถูกพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ภูมิใจไม่ภาคภูมิใจถ้าว่าเราทำถูกด้วยความหมั่นขยันอดทนของเราเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วก็ภาคภูมิใจเพราะเราเราได้ทำถูกต้องตามหลักธรรมวินัยทำถูกต้องตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทาถูกต้องตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ที่ท่านต้องการ อันนี้เราก็ภาคภูมิใจไม่ใช่เหรอเภายนั้นให้ตั้งอกตั้งใจนะการบวชในครั้งนี้และก็วันฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่5นะวันที่5ก็คงจะมีญาติพี่น้องของคงจะมาถึงพวกพระก็คงจะเตรียมบริขารอย่างที่หลวงพ่อพูดนะให้พร้อมทําให้พร้อมกับบริการในวัดของเราก็มีเสริมเข้าไปให้เพียงพอให้ใช้ให้เพียงพ อ, พงพอถ้ามันขาดเหลือขาดตกก็ให้เพียงพอถ้ามันพร้อมพร้อมอยู่แล้วก็เอาเอาของ นาคที่เอามาให้เกิดประโยชน์เพราะว่าบริขารของนาคเนี่ยก็ชุดก่อนเขาบวชมาแล้วลาสิกขาไปก็ เ, เก็บเอาไว้ชุดนี้เขามาบวชเอาใช้บริขารชุดก่อนในทางสมรมพุทธที่หลวงพ่อได้รับทราบมานี่ก็นี่ก็ได้เอามาเนี่ยเอามาเตรียมไว้เพราะนั้นเราก็จัดชุดให้เข้ากันถ้ามันขาดเหลือขาดตกทางวัดของเราก็เสริมเข้าไปเป็นไรไปของวัดของเราก็พอมีพอเป็นพอไปอยู่ ตรงไหนที่มันใช้ไม่ได้ก็เสริมไปถ้าหากว่ามันเกินไปก็ให้เก็บเอาไปไว้ที่ชมรมก่อนนะเพื่อต่อไปภายภาคหน้าอันนี้ก็คือบริขารบริขารเตรียมแล้วกับวันที่หนั่นนะทีนี้ญาติพี่น้องมาเราจะทำพิธียังไงจะปรงผมตัดผมหน้าก่อนวันที่สตอนเย็นปองผมไว้ก่อนจะปรงผมตอนเช้าวันที่ห้า เลยจะได้ไหมตัง้งหนากทั้ง10บข้อองก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่ก็ไม่แน่เพราะอุปชาอาจารย์อุปช า, าปชา่างกัตริย์เพนนะเพราะเป็นท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดอุดรท่านจุกุลราชนะนิมนต์ท่านมานั่งอุปชาในครั้งนี้อุปชาของเราที่เคยนิมนต์ท่านเจ้าคณะอำเภอนายงเนะี่ยท่านไปอินเดียส่วนอาจารย์สวดนะใช้อาจารย์ ในวัดของเรานี่นะท่านจันดุงจันรัตนเป็นอาจารย์สวด่าพร้อมอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องการบวชวันที่หก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนั่นะสำหรับญาติโยมพวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนั้นจะมาร่วมทำบุญเลี้ยงแขกเลี้ยงคนกับหลวงพ่อก็ได้นะแต่ส่วนในครัวก็พยายามเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอนั่นะเลี้ยงพี่น้องญาติพี่น้องมาจากทางไกล ก็คงจะประมาณจะเป็นร้อยคนอยู่มากแต่รวมจับญาติพี่น้องอืชาวของเราด้วยก็อาจจะถึงร้อยสองร้อยคนน่ะจะไม่ต่ํากว่าคิดว่านะเพราะฉะนั้นเรื่อง อ, งอาหารก็เตรียมไม่ประมาณนี่แหละเพราะเราพวกเราอยู่ป่ามันไม่เหมือนในบ้านในเมืองในบ้านในเมืองมันหาที่ไหนก็ได้สั่งเข้ามาที่ไรอย่างไงก็ได้แต่นี้อยู่ในป่าเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยง อยากเลี้ยงโยมเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงแต่ยังว่านะพระป่าอย่างหลวงพ่อไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยากมีอะไรก็ชั้นชั้นมันก็จบไปแต่ทําผู้มาเกี่ยวข้องหลายคู่หลายคนพวกเราต้องช่วยช่วยดูเพราะเราจะเป็นเจ้าของบ้านถ้าแก่คนมาแล้วเราไม่ตื่นเราไม่ตอนรับมันก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นการตอนรับขับสู้เป็นประเพณีของเมืองไทยเรา ที่เขาที่เราเราไม่หาท่านท่านมาหาเราแต่ยังไงก็อย่าให้อดอยากว่าเนาะแม่สรุปแล้วคือไม่ให้อดไปให้อยากมันมีอยู่เลี้ยงพี่เลี้ยงนอ้องแต่ก็อย่าให้มันเกินไปมีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์อัอาตามาทพบาทอย่างั้นแต่ไม่ไม่ใช่อาหารตามสั่งไม่ใช่อาหารตามสั่งอย่างนั้นแต่ให้มีกิ น, น, นให้มีอยู่มีกิน นี่แหละการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานต้องลักษณะอย่างนี้แหละนะ